5921991วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกับคุณผู้ฟังค่ะในทุกๆวันศุกร์เลยค่ะตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งนะคะเราเพิ่งจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะคะดำเนินรายการค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะแล้วก็รุ่งยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยนะคะซึ่งก็อยู่ด้วยกันกับเราทั้งสองคนนะคะก็รับหน้าที่ค่ะมาพูดคุยให้ ค, คุณผู้ฟังฟังนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุง ย, ยุ้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้ยวยครับผมค่ะก็ในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากค่ะลุงครับผมเรื่องอะไรเอ่ยซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าเราเป็นตัวของตัวเองแล้วมันดีหรือมันไม่ดีหรือว่า<อ>ที่เราทําอยู่เนี่ยมันมันเป็นตัวของตัวเองอยู่ไหมวันนี้อาจจะต้องมา ฟังเราทั้งสองคนแล้วก็มาอะไรนะคะวิเคราะห์ตัวเองดูว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะได้เลยครับลุงยุ้ยเป็นตัวของตัวเองเนี่ยการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสำหรับลุงยุ้ยหมายถึงอะไรคะการเป็นตัวของตัวเองก็คือการที่เราเรารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ไปยึดติดกับคนอื่นมากนักนะคบเพราะว่าเพราะว่าไอตัวเราเนี่ย เราเราต้องรู้จักตัวเองทั้งข้อดีข้อเสียเนาะบางทีเนี่ยอย่างเช่นในแง่ของข้อเสียเนี่ยถ้าเราเข้าไปเข้าไปเอาความข้อเสียของเราไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นรอบข้างมากๆเขาอาจจะไม่พอใจกระอดกนะครับขณะเดียวกันในไอ้ข้อดีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเราเป็นยังไงเรามีอะไรบ้างอันเนี้ยถ้าใครเข้ามาเข้ามาใกล้เราแล้วเขาได้ได้ผลประโยชน์จากเราไปเราถือว่า ก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์โทษผลต่อไปข้อดีเนี่ยถ้าเป็นตัวของตัวเองเราจะคิดเข้าข้างตัวเองไหมคะลุงหรือว่าเราต้องรอให้คนอื่นมาบอกว่าอ๋อเรามีข้อดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหมายถึงว่าอาจจะต้องเช็คจากคนอื่นหรือว่าเรามั่นใจว่า <c oughs> ข้อดีของเราคืออะไรคือถ้าบอกว่าเราเร า, เรารู้จักตัวเองจริงๆเราเรดำเนินชีวิตเราดูแลตัวเองมาตลอดเราจะรู้นะครับว่าอะไรคือข้อดีของเรา <c oughs> แต่ถ้าบอกว่าเรายังไม่รู้เนี่ย เหมือนกับจะใช่เหมือนกับจะใช่แต่พอมีคนเข้ามาสัมทับมีคนเข้ามา <c oughs> บอกว่าเออตรงนี้นะของน้องทีตรงนี้น้องทียิ้มสวยนะน้องทียิ้มสวยนะคน ข, ของมันก็คือจริงหน่อยน้องทีก็จะความมั่นใจว่าเออที่เราม <คน S 2> ่ได้ไม่ยิ้มสวย้ไม่ไ ด, ด้ไม่ไดกไม่ได้่นด้ม่ได่ได้ไม่้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได่้ไม่้่ได่ได้ไม่ได้ไม่้ตัวแต่นด้นมายถึงว่าต้องไม่ได้ตั้ตตไ่ไ่ได้ไค่ได้ไม่ไดมไม่ไ้ได้ไ่ไดม่ได้ม่ได้ไม่ได คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเราเป็นอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะรู้ว่าเรามีข้อดีอะไรจริงๆซึ่งมันเป็นมันเป็นอะไรอะมันเป็นกลางอะลุงไม่ได้คิดแบบเข้าข้างตัวเองอย่างนี้นะคะคือคือไม่เข้าข้างตัวเองแต่ว่ายอมรับความเป็นจริงว่าตรงนี้มีจริงแต่ขนาดเดียวกันอะไรเป็นข้อเสียก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยนะนะฮะนะครับเราจะยอมรับข้อเสียของเราได้ง่ายๆหคะลุง รู้แต่จะยอมรับ่ไม่นะครับก้อนเรืนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับนะครับแล้วก็จะมีจะมีอะไรล่ะครับมีข้อที่จะมาช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเออคลายจากความเครียดนะตรงนั้นไปถ้ามันไม่ใช่จริงจริเราก็เรียกว่าคนไขในการป้องกันตัวเองเช่นให้คนเข้าข้างตัวเองอย่างเงี้ยค่ะทั้งๆที่ตัวเองผิดเรือที่ตัวเองผิดไหมค่ะลุงคนเดินสูดผิดแล้ว ใครเด็ดขเราบอกแม่ลุงยื้จนสุดปิดดคือเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยตอนเด็กๆแม่เขาฝึกเดินมาไม่ดีมันก็เลยเป็นอย่างนี้อืมไปโทษแม่แทนไอ้อย่างนั้นนะครับอย่างที่เป็นต้นเพราะอะไรคะลุงเราถึงควรที่จะเป็นตัวของตัวเองค่ะที่เราควรเป็นตัวงตัวเองเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับจะได้รู้สึกว่าเราทําอะไรด้วยความสบายใจเนา ะ, ะแล้วก็ยิ่งถ้าบอกว่าเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วเรารู้ว่าเราอยากจะทำอะไร ค่ะอย่างเช่นวันนี้อยากจะนอนตื่นสายักหน่อยนึงอันนี้เราก็รู้ตัวถูกไหมค่ะนะครับแต่ถ้าบอกว่ามีใครที่ที่มาบังคับบอกว่าตรงนี้ต้องตื่นแล้วนั่นน่นนี่นั่นนั้วก็ทำได้แหละแต่ถามบอกว่าจริงๆเราก็อยากจะนอนอีกนิดนึงอ่ะแต่ในวันธรรมดามันทำได้หรอคะลุงที่ต้องไปเรียนหนังสือที่จะต้องไปทำงานถูกต้อง เพรถึงวันธรรมดามันทําไม่ได้ในใจอ่มันอยากนะแต่พอ <ừ> ถึงจริงแล้วพ่อแม่เราต้องนึกถึงภาพเด็กๆนะครับว่าพ่อแม่ก็จะแตะขึ้นมาเลยจากที่นอนเลยบอกตื่นได้แล้วตืนว่นได้แล้วอันนี้เราเลยมีความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวเร า, าเราอยากนอนอีกอ่ะแต่ใ น, นเมื่อเราต้องทำใช่ไหมครับต้องามความที่เห็นคนอื่นอ่ะหมายถึงว่าบางทีเราอยากจะเป็นตัวของเราเองแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุ<ช>ผละอะไรประกอบมันทําให้เรา <ừ> ไม่สามารถเป็นตัวของเราเองได้ นั่หมายถึงการตื่นนอนที่ลุงบอกใช่ไหมคะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นวันหยุดล่ะอย่างประเด็นที่ลุงพูดถึงเมื่อกี้อาจจะเป็นวันทำงานถ้าเป็นวันหยุดเขาอาจจะนอนตื่นสายเขาก็นอนตื่นสายได้ถูกต้องนะครับยิ่งถ้บอกว่าไม่มีใครมามาวุ่นกับเราอีกก็ตื่นสายไปอีกอ่ะถ้าตื่นสายแล้วเกิดเกิดอยู่ๆก็มีคนมาบอกว่าวันนี้ตื่นแล้วไหนนะเดี๋ยวจะต้องไปตลาดโอ้โหก็ก็ต้องตื่นอีก แต่ถ้าเราไม่มี่ถ้าเราไม่มีอะไรที่จะต้องทําเลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะทำไอสิ่งที่เราอยากทําถูกไหมครับก็คือเราอยากนอนเราก็นอนไปถ้าเป็นวันหยุดถ้าเราไม่ได้มีอะไรต้องทำไม่เคยค่ะไม่เคยอยากนอนอยากพิก ไม่เคยนะคะ <l ots> <l ots> ส่วนใหญ่ที่จะที่อาจจะมีช่วงเวลาซึ่งสมมุติวันหยุดมันจะมีแพลนอยู่แล้วอะค่ะว่าอ๋อฮะก็คืออาจจะไม่ได้มี <l ots> แบบว่านอนรันอนอยาวๆไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีระยะเวลาของมันมันจะมีตารางของมันอะไรประมาณเนี้ยค่ะลุงก็ไม่ใช่ว่าทีมไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะ <l ots> ทีมก็เป็นตัวของตัวเองอแต่เป็นตัวของตัวเองที่มีที่มีขั้นตอนไงเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะมีแผนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วอะไรอ่ามีแพลนอยู่แล้วถูกไหมครับ แล้ว<ะ>แต่ละคนเนี่ยถ้าถามว่าการเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคนมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคลิกแต่ละเออความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละคนเราจะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดตอนไหนคะลุงตอนที่เราอยู่คนเดียวไห ม, ไมคะเออใช่ถูกต้องแล้วเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราอยากจะทําอะไรอย่างเช่นลุงเนี่ยร้องเพลงไม่เพราะคะ่ะดูไหมครับแต่พอเวลาที่ลุงเข้าไปในครัวทํากับข้าว ลุงก็จะร้องเพลงออืพลุงก็ไม่สนใจด้วยว่าใครจะฟังได้หรือไม่ได้เพราะลุงมีความรู้สึกว่าลุงอยากจะทำค่ะนะครับเพราะว่าลุงมีความรู้สึกว่าทําแล้วลุงมีความมีความสุขอ่ะถ้ามองเข้าไปด้วยได้ร้องเพลงไปด้วยมันก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นช่วงช่วงหนึ่งของเราที่ควรจะทําได้คือทํำเราก็มีความสุขเนาะอาจจะคนอื่นไม่ได้ยินไม่ได้ไม่เพราะไม่ไปรบกวนคนอื่นเขานี้ก็ลุงถ้าเรา ต้องไปอยู่กับคนเยอะๆอ่าสังคมแตกต่างกันมันจะมีคําว่าจิ้งจกเปลี่ยนสีคือเราต้องปรับตัวให้เข้ากับตรงนั้นนะคะลุงคิดเห็นยังไงกับคําพูดนี้คะซึ่งความเป็นความเป็นตัวของเราเองมันอาจจะต้องน้อยลงตามสังคมแต่รัแต่ละประเภทค่ะใช่ครับแต่ว่าอาบอกว่าเราเราก็ต้องมีมีจุดยืนอะไรบางอย่างของเราอยู่เนาะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอบริบทหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเราอาจจะต้อง ตามเข้าไปก่อนใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้น้องตีเห็นาชัดๆอย่างเช่นเวลาน้องตีเข้าประชุมค่ะใชครับเวลาเข้าประชุมบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้รับฟังอะ่ะค่ะว่าหัวหน้าเขาก็จะเป็นคนกําหนดหนูน่นนี่นั่นนั่นเป้าหมายอย่างโน้นอ่านี้ขณะเดียวกันถ้ามันเกิดความรู้สึกที่มันขัดแย้งกับเราจริงๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะยกมือแล้วขอแสดงความคิดเห็น ถ, ถูกไหม แต่ถ้ามันไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันถ้ามันไม่ไม่หนั่งนาสาหัสอ่ะมันมันมันต่อยได้อ่ะเราเรารับได้กับตรงนั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่รู้สึกอะไรมากมายนะอืมนะคะแต่ว่าการปรับตัวเข้ากับทุกสังคมเพื่อความอยู่รอดเพื่อให้งานมันผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะคือใช่ครับเราเป็นตัวของตัวเองได้แต่ไม่จําเป็นต้องทุกทุกอย่างทุกๆกวัน ในการทำเลชีวิตมันจะมีมุมของมันซึ่งเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะบุคลิกภาพอย่างนี้ลหคะลูคือกัมันมันเป็นแค่จังหวนะเนาะจังหวะหนึ่งที่เราเราทำได้เราไม่ได้ทำได้ตลอดเวลาน ะ, ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมอย่างที่น้องตีบอกถูกไครับเพราะนั้นจังหวะไหนที่เราที่เราพอมีโอกาสจะทำะแล้วถ้าเราได้ทำปุ๊บเนี่ยน้องตีลองลองทาดูน้องตีจะเกิดความรู้สึกเลยว่าเออรู้สึกมัน สบายใจสบายตัวรู้สึกมีความสุขลเล็กขึ้นมานะครับรค่ะก็เบรกแรกเราพูดกันในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองนะคะเผื่อว่าทุกคนจะได้รู้รายละเอียดหรือว่าทราบว่าวมันคืออะไรแต่เดี๋ยวในเบรกที่สองนะคะเราจะมาพูดถึงข้อดีของการเป็นตัวของตัวเองบ้างรวมถึงข้อจํากัดว่ามีอะไรบ้างค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม a m i t moving towards innovative university. ใช่ไหมวันที่เสียใจเธอเก็ยังฟังจังต้องอีกนานเท่าไหร่เธอจะหายเจ็บช้ำเธอช้ำฉันช้ายิ่งกว่าเธออย่าไปแค่งคืนคนที่ใจร้ายร้า ย, ายโลกยัง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 ห้าสี่เก้าสามหกห้าสามจิตวิทยา ก, กับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยา ก, กับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงการเป็นตัวของตัวเองนะคะเปรกแรกค่ะลุงยุ้ยเราก็บอกแล้วลหละว่าการเป็นตัวของตัวเองคืออะไรใช่ไหมคะครับผมเพราะอะไรเราถึง ต้องเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ทุกๆเวลาใช่ไหมลุมันขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างหนะ้าที่ความรับผิด ช, ชอบหลายๆอย่าง อ, อย่างเช่นถ้าเราเป็นลูกอย่างนี้นะคะลุงความเป็นตัวของตั ว, อตวเองเวลาที่อยู่กับพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงคะลุงความเป็นตัวของตัวเองถ้าเป็นลูกที่พ่อแม่เลี้ยงดูแบบแบบสบายๆหน่อยเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองเขาก็จะกล้าทํานู่นทํานี้จำนั้น ค่ะ <Ha. S 2> แต่แต่ถ้าบอกว่าเป็นพ่อแม่ที่มีระเบียบเข้มงวดหน่อยความเป็นตัวของตัวเองก็จะเริ่มลดลงละเริ่มจะต้องอยู่ในกรอบอยู่ในระบบระเบียบของพ่อแม่แต่มันก็ต่างแต่ถ้าเขาเป็นตัวของตัวเองสมมติว่าที่เป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่กับพ่อกับ oh. แม่ที่จะเป็นอีกแบบหนึง่งที่อยู่กับ uh. ครูอาจารย์ทีก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอ่าใช่ไอความเป็นตัวของเราเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปไหมคะหรือว่า <laughs> มันมันไม่เปลี่ยนนะัดเพราะว่าในใจเรามันอยากทําอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเช่นที่อยู่ที่บ้านถูกไหมครับแล้วที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ที่อาจจะมีความอบอุ่นพ่อแม่เป็นกันเองกับเราอยู่แล้วเ ร, ล เ, เราเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันอยู่แล้วเพราะนั้นการจะทำํทำนู่นทํานี้ทํานั่นมันก็ทําได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ยากแต่ขณะเดยียการพอมีคนอื่นที่ขึ้นชืว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือคนรู้จักหรือว่ า, าคนหน้างานเราก็ต้องทําอีกรูปแบบ นะคะก็ขึ้นอยู่กับบาริบทหรือหน้าที่หน้าที่ของความเป็นลูกเราอาจจะชิวๆกับพ่อแม่แต่พอไปอยู่กับอาจารย์เราก็อาจจะต้องสุภาพเรียบร้อยมันก็เป็นแบบอัตโนมัติเหมือนกันนะคะหรือว่ามันเป็นมารยาททางสังคมบางทีมันจะเป็นกรอบตีกรอบให้เราว่าความเป็นตัวของเราเองเนี่ยมันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะข้อดีของการเป็นตัวของตัวเองนะคะลูกมีอะไรบ้าง ข้ดีของการเป็น ต, ตัวนเองอันที่หนึ่งเลยเนี่ยลุงมองว่าทําให้เรามีความมั่นใจมา ก, กขึ้นนะครับเพราะว่าความมั่นใจเนี่ยมันจะทําให้เรามีมีบุคลิกที่ดีขึ้นอื ม, มีความรู้สึกที่คนอื่นมองเห็นแล้วรู้สึกไว้วางใจอย า, ากจะให้เราเป็นผู้นําสมถติว่าอย่างเงี้ยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของความมั่นใจอืขนาดเดียวกันนะครับคนรอบข้างก็จะเริ่มไว้ใจคุณมา ก, กขึ้นค่ะ นะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเรามีความมั่นใจเราทำอะไรด้วยความกระฉับกระเฉงเรากล้าอิสแ <c oughs> คือเขาอาจจะชอบที่เราเป็นตัวของเราเองแบบนี้ตออต่างน้องทีเงี้ย<ะ>อาจจะบางทีก็เป็นน้องทีของตัวเองไม่ได้เสแสร้งอะ่ะแล้วมีคน <c oughs> บางคนเขาชอบคนที่ใช่แบบน้องทีอะ่ะแต่ก็มี อ, อีก<น>หลายคนซึ่งเขาไม่ชอบเออเราก็ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นไงเราสนใจคน <c oughs> ที่ใช่ไง <laughs> ไม่กํลาลังจะบอกลุงว่าถ้าเราเป็นตัวของตัวเองที่เป็นทีแบบนี้ล่ะมีคนหนึ่งที่เขาชอบแต่ก็มีอีกหลายคนที่เขาไม่ชอบที่ควรจะยังเป็นตัวของตัวเองต่อไปไหมคะหรือว่าที่วควรจะปรับเปลี่ยนลุงว่ายังไงคะอย่างที่เราบอกเลยครับว่าถ้าบอกว่ า, รวาเราอยู่กแบบับเรารู้ว่าคนนี้คือคนที่ชอบเราค่ะเราก็จะทําตัวแบบนี้ออืแต่ขณาเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ชอบเราก็ปรับตัวเราเองนิด น, นึงให้ให้มันกระชับขึ้นหรือให้มัน อยู่ในใสายตาของผู้คนเหล่านั้นที่ที่ไม่รู้สึกอิจฉาเราอเอ า, อางี้ก็แล้วกันนะครับค่ะก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันตรงกับสังคมบางอย่างที่เราอยู่เหมือนกันนะค ะ, ะถูกต้องครับถ้าเขาไม่ชอบที่เราพูดจาไพเราะในขณะที่เขาพูดจา ก, กันเราควรจะปรับเปลี่ยนยังไงคะเราจะพูดเพราะต่อไปในการทํางานหรือว่าเราควรจะพูดแบบเขาดีหางเสียงไม่มีกระชับดูไม่เสซซางดูชัดเจน คือคือสำหรับการพูดเนี่ยสำหรับลุงมองว่ามันมันเคยพูดยังไงยกตัวยอย่างลุงกันแล้วน่นะเวลาลุงพูดถึงพ่อแม่ลุงไม่เคยพูดคําว่าพ่อแม่เลยคือมัพูดแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ตลอดตรงข้ามกับทีนะคะทีจะไม่เคยพูดที่จะไม่เคยพูดว่าคุณพ่อคุณแม่เลยที่จะพูดคาว่าพ่อแม่ที่ก็พูดว่าพ่อหรือแม่เพราะว่าทีอยู่ต่างจังหวัดไงแล้วครอบครัวทีก็คือครอบครัวต่างจังหวัด มันจะไม่ได้มีว่าคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นที่จะกระดากหรือว่าน้อยมากที่จะมีคําพูดเรื่อคุณพ่อคุณแม่ออกจากปากทีเพราะฉนั้นสำนักเนี่ยลุงจะบอกว่าสําหรับลุงเนี่ยเรื่องพ่อแม่ลุงใจแช้คุณพ่อครับคุณแม่ครับแต่พอมาถึงรุ่นลูกลุงค่ะลูกลุงเรียกลุงว่าพ่อครับลุงก็ไม่ได้รู้สึกไปต้องตําหนิเขาหรือต้องบอกคุณต้องพูดคุณนะค่ะคุณต้องคุณพ่อคุณแม่นะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยแล้วเขาพูดพ่อแม่ เพราะับแม่คับไม่ใช่ว่าเขาไม่เคารพเราเ้าก็ยังเคารพเราเหมือนเดิมใ่ะครับเพะนั้นมันอย่างเช่นการพูดอย่างที่น้องทีถามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการติดมาสิการติดมาที่ว่ามันเป็นเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูด้วยด้วยบางอย่างหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเหมือนกันอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนทีอาจจะเป็นลูกของทหารทหารซะเป็นส่วนใหญ่เขาจะต้องพูดคําว่าคุณพ่อคุณแม่ในขณะซึ่งพ่อแม่ที่อาจจะ ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ก็จะเรียกว่าพ่อแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าอะไรตามภาษาท้องถิ่นอะไรที่เพิ่งควรจะเป็นพูดพ่อจ๋าแม่จ๋าซึ่งบางคนก็พูดไม่ได้อืก็จะพ่อจ๋าแล้วก็ไม่เอาไอ้ว่าไงจ้ะพ่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำพูดแต่ถ้าว่าไงคะคุณพ่อที่จที่ก็จะพูดไม่ได้มันจะไม่ชินเอันนี้อันนี้ถือว่ามันเป็นอินดิวิดอรของแต่ละคนเนาะนะครแต่ถ้าบอกว่า ภาพลงกลางกลางคือถ้าเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเราทำแล้วเรามีความสุขยิ่งถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีโอกาสทาได้ก็ทาไปอั น, นี้คือการรู้จักตัวเองอคนที่เขาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยลุงเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่าคนอื่นไหมคะก็อาจจะนะครับอาจจะกใช้คาว่าอาจจะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คาว่า วินัยของแต่ละคนมันแต่ว่าอะไรไงแต่สําหรับลุงเนี่ยลุงรู้ว่าลุงอยากจะทําอะไรแค่ไหนอย่างเช่นสมมติว่าช่วงไหนที่ลุงอยากลดความอ้วนเนี่ยนะค่ะลุงก็จะบอกตัวเองเลยว่าต่อไปนี้จะวิ่งวันละสามสิบนาทีทุกวันวิ่งไม่ต้องอยู่ที่ไหนหรอกวิง่งหน้าจอทีวีนี่แหละ <c oughs> วิ่งไปดูรายการอะไรไป<ช>ลุงก็วิง่งไปฟังรายการตัวเองไปได้ไหมคะจิตวิทยากับครูยุ้ย ก็จัก็อยากให้คุณผู้ฟังออกกำลังกายไปฟังรายการของเราไปนะคะเอโอเคแล้วอันนี้ขอขอขอายของนิดนึิค่ะก็จะบอกว่าบางทีการเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีนั่นหมายถึงว่ามันมันอยู่ในมันอยู่ในกาละเทศะมารยาท นะคะบริบทออของสังค ม, ม น, งนี้ต้องเลยครับนะคะต้องมีการรับเสลี่สารถูกเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเซซ้างแบบว่าเราอยู่สังคมนี้เราทําตัวแบบนี้รเราต้องทําตัวแบบนั้นไปตลอดกับทุกสังคมหรือแม้กระทั่งกับคนใกล้ชิด <laughs> นะคะอันนั้มันก็คือการไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะใช่ใช่ใชก็ถ้าเราปรับได้บ้างมันก็แค่นั้นเองถูกไหมครับ ก็เอามาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังกันนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเราทั้งสองคนนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์นะคะช่วงราตีสี่ถึงตีสีครึ่งนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะลุงดีนาะจตุรงค์ชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในการจิตวิทยา ก, กับ